ขอความสุขความเจริญจะมีในท่านสาธาชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องในเปตวัตถุคือเรื่องของเปรตอีกเปรตในชุดนี้ก็มีอยู่หลายหลายเรื่องด้วยกันมีใจความโดยสรุปว่าพระเทระกลุ่มหนึ่งกลับจากความเพลิกรรมฐาน มาพบ ก, กับเปรดเหล่านั้นและนําเรื่องเหล่านั้นมากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงรับรองแล้วทรงสดแสดงเรื่องนั้นแก่พุทธบริษัททั้งหลายอีกทีหนึ่งเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเประดที่กินลูกตัวเองคือพระเถระได้พบเห็นกรเพดตัวหนึ่ง มีร่างกายหน้าขยะขยงไม่มีผ้าจะนุ่มมีแผลเปื่อยผุพองไปทั่วตัวท่านจึงสอบถามว่าท่านได้ทำบาปประกรรมอะไรเอาไว้จึงได้มาเกิดเช่นนี้เปรต น, นั้นก็เล่าใจความให้ฟังว่าในชาติก่อนนั้นเธอเป็นหญิงมนุษย์ ได้แต่งงานอยู่ร่วมกับสามีแต่ก็เป็นหญิงหมันหรืไม่คลอดควายมันดาบิดาของสามีเห็นป่าถ้าไม่มีบุตรก็ขาดผู้สืบสกุลจึงขอให้ลูกชายแต่งงานใหม่แต่ลูกชายก็มีความรักในพัญญาไม่ยอมแต่งควายพัญญารู้เข้าก็เห็นว่าถ้าหากว่าบุตรชายไม่คล้อยตาม คำแนะนำของมารดาและบิดาบาอาจจะมีปัญหาจึงไปขอร้องให้หาผู้หญิงอื่นมาเป็นพันยาอีกคนหนึ่งต่อมาพันยาใหม่นั้นก็ตั้งท้องได้สองเดือนนางลูกข้าก็เกิดความริษยาโดยคิดว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้คลอดลูกออกมาก็จะได้ตาแหน่งที่ใหญ่กว่านางลูกชายของนางก็คงจะได้รับมรดก ฐานะของนางที่เคยอยู่เคยเป็นเมื่อก่อนก็คงจะตกต่ำลงไปจึงได้หายาให้ปัญญาน้อยของสามีรับประทานข่านก็ตกคอยมารดาบิดาของสามีทราบเรื่องข่าวกอยสอบถามนางไม่ยอมรับแล้วในที่สุดก็มีการให้เกรเรเกลียยสมบทสบานกัน สบทว่าถ้าหากว่านางทำเช่นนั้นจริงตายไปแล้วก็ขอให้เกิดเป็นเปรดแล้วคลอดลูกวันละห้าคนแล้วก็กินลูกแล้วก็ไม่รู้จักทิมตมานางก็มาเป็นเช่นนั้นส่วนเปรตชุดที่สองนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือคลอดลูกมาคราวละเจดคนแล้วก็กิน มีร่างกายเต็มไปด้วยแผลเปื่อยน้าวผูกของหน้ารังเกียจมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็มีอาการหิวโหวอยู่เป็นนิดพระเทพรสอบถามถึงผลกรรมนางก็บอกว่าในชาติก่อนนางเป็นพัญยาของสามีแล้วก็มีลูกชายกับสามีสองคนก็เกิดมีความรู้สึกเกยิงในความมีลูก ก่อนก็เป็นพันยาที่ดีๆอาศัยที่ตนมีลูกชายทังสองคนก็เกิดดุหมิ่นสามีนากข้าวนักข้าวก็คุกคามสามีสามีทนความก้าวร้าวความรุนแรงไม่ไหวก็ไปหาพันยาใหม่นางทราบข่าวก็ทราบข่าวว่าพันยาใหม่มีท้องก็ไปหายามาหลอกให้พันยาใหม่ของสามี ดื่มเข้าไปก็ แ, แทงลูกเมื่อท้องได้สามเดือนควายมันดาบิดาของสามีก็สอบถามน้ำก็สะบัสะบานเช่นเดียวกันและหนที่สุดก็มาตกเป็นเปรตทั้งสองเปรตทั้งสองตนนี้ได้ขอร้องให้พระภิกษุทั้งส2บสองรูปที่พบบอกให้เชื่อไปที่บ้านของสามีในชาติก่อน ก็ให้สามีทําบุญอุทิศกุศลให้ด้วยนิกษุรูปนั้นเมื่อข้าวกลับไปในเมืองแล้วก็ไปบอกสามีของเปรตทั้ง2ตนนั้นสามีในชาติก่อนทราบก็สงสารทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เปรตก็อนุโมทนาหลุดพ้นจากความเป็นเปรตเออเฉพาะเปรต22 ง, ง, ง, ง, งตนนี้ ก็มีเรื่องที่น่าคิดว่ามันก็อยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็เป็นมิติหนึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านแต่ก่อนนั้นก็คงจะเคยได้ยูรู้เรื่องราวต่างๆของเปรตที่ปรากฏในคราวพิเศษเช่นอย่างเมื่อวานเนี่ยวันซื่นวันซื่นคือวันศัสละมักจะมีข่าวในเรื่องเหล่านี้ เป็นการปรากฏตัวของเปรตในที่นั้น น, นแต่เดือนนี้คงจะสู้พรลชั่นในบ้านเมืองเราไม่ไหวยังไงเขาไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหรเ่เป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตทั้งสองตนแสดงตัวให้พระเทระเห็นท่านเหล่านั้นไม่ได้พบด้วยทิพยจักรสุแต่ก็แสดงตัวให้เห็นเพื่อจะขอให้ท่านได้ช่วยเหลือไปบอกแก่สามีในชาติก่อน ให้ทำบุญกุศลส่งไปใหออ้แสดงให้เห็นว่าเปรตบางประเภทนั้นเปนตโลกนะฮะเป็นมิติหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งคนอาจจะพบได้ด้วยทิปฐจักสุนั่อย่างหนึ่งอย่างที่บอกมาแล้วว่าประการแรกก็คือพบด้วยทิฏฐจักสุประการที่สองคือเขาแสดงตัวให้เห็นเองแล้วประการที่สาม <c oughs> เป็นการพบกันโดยบังเอิญ <c oughs> ของของของพระหรือคนหรือใครก็ตามกระเปพดนานั้นซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นท่านที่ได้บรรลุทิฏฐิสุเช่นเดียวกันเปรตทั้งสองตนนั้นสำนึกถึงความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำตัว ก, การใหญ่จริงๆ ก, ก็อยู่ที่ริษยา ซึ่งเป็นความริษยาในสตรีอื่นในสตรีร่วมสามีก็ทำให้นางทำอะไรในลักษณะที่รุนแรงออกไปคือไปทำให้สตรีร่วมสามีสองคนต้องแท้งลูกหมดเลยในประการหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรเเรียกทนสาบานโกหกด้วยแล้วก็ทนสาบานด้วย ไอโกโหกกรทนสาบานนั้นมันเป็นมุสาวาดด้วยกันนะมุสาวาดโดยตรงก็คือพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงมจาจับได้ไล่ทานก็ไปทนสาบานเลยไปโกโหกกันอีกทีหนึ่งมันก็เป็นโกหกซ้อนโกหกกันสองครั้งนี้ก็เป็นบาปเป็นอกุศลที่เปรตทั้งสองตนนั้นได้กระทำและจากบาปรกรรมเหล่านั้นก็ทำให้ได้เกิดเปรต เรื่องความอิจฉาริษยานั้นตามพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าอรารติโลกนาสิตาความริษยาทำโลกให้พินาศความริษยาเกิดขึ้นเมื่อเกิดปักใจคิดว่าสงสัยว่าหรือผูกใจว่าคนนั้นจะดีจะสูงจะเด่นจะก้าวหน้ากว่าตนเป็นต้น แล้วก็เกิดความลิสยาในความดีของบุคคลหล่อนนั้นซึงแต่าหากว่าลิสยาเฉยๆมันก็จิตใจก็ขุนมัวเศร้ามองไปแล้วก็มีโทษในด้านที่ซึ่งทรงแสดงไว้ในสุภาสูตรก็ทาให้คนเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลที่ยากจนขัดสนนานาถาเป็นต้นนี่ก็เพราะโทษของลิสยา แต่วันนี้ริษยาไม่ได้ริษยาภายในใจอย่างเดียวเห็มันออกมาข้างนอกด้วยเป็นปานาธิบาดคือฆ่าเด็กในคันเป็นมุสาวาตแล้วเป็นทนสาบาลพร้อมกันทั้งสามอย่างทำให้ผู้หญิงทั้งสองนั้นก็ตกต่ำทีนี้อีกอชุดที่สองนะคือเปรตตนที่สองมีหน้าสังเกตยอยู่ประการหนึ่งว่า คนดีๆแต่มันเกิดมานะขึ้นเพราะมีบุตรทำไมจะเกิดมานะขึ้นมาได้เนื่องจากความเชื่อถือในสมัยก่อนนั้นเชื่อถือว่าลูกชายที่เรียกปุตตะปุตตะที่จริงเป็นชื่อขุมนรกนะฮะเป็นชื่อขุมนรกที่ชื่อว่าปุตตะแล้วก็เชื่อถือกันว่าถ้าใครมีลูกชายก็จะทำทักษินานุ ป, ปาทานหรือปุพเะเตะผลี กุฏิที่กุศลให้แก่พ่อดังนั้นลูกชายจึงชื่อว่าปุตตะแปลว่าผู้ปิดประตูนรกให้แก่พ่อธรรมเนียมรามจึงมีการแสวงหาลูกชายกันด้วยวิธีการต่างๆเป็นอันมากบางครั้งไม่ใช่ลูกของเองนะฮะแต่ก็ไปขอเข้ามาไปรับเป็นลูกบุญธรรมเป็นต้นหรือแม้เอาหลานมาเป็นลูกเดือยเอาลูกของพันยามาเป็นลูกของตัวเอง เพื่อจะให้ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เพราะว่าปัณน์ปัญญาจึงเกิดมานะเพราะอาศัยบุตรเป็นเหตุถือว่าถ้าหากตนเองไม่มีบุตรชายสามีก็คงจะลำบากันั้นกิเลสประเภทมานะพอออกขึ้นมามันก็ทำให้คนเสียเพราะมานะมีอาการพองขึ้นหรือมีลักษณะพองขึ้น ประมาณแล้วจะมันมีการแข่งดีกันอย่างที่เคยเล่าฟังถึงไอสัตว์อะไระนิทานเรื่องนอกกระจาบอะไรเนี่ยฮะแต่ทั้งหลายคงนึกออกวันนั้นก็เกิดมานะขึ้นคือมีความสำคัญว่าการที่สามารถโอตาข่ายขึ้นไปแขวนไวบนกิ่งไม้ได้เพราะเรวยแรงของตัวเองก็เกิดมานะในกำหลังของตัวเอง แล้วก็เชิดจูอตัวเองขึ้นมาคนอื่นก็หมั่นไส้เพราะต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าเพราะเรี่แรงของตัวเองทั้งนั้นพอก็จริงในที่สุดก็เกิดแข่งดีกันเกิดแข่งดีก็เกิดแตกแยกคือไม่ยอมบินพร้อมๆกันในที่สุดก็ถูกนายพรานรวบตาข่ายเอาไปทอดกลอบหมดเลยนี่คือเหตุของกิเลสที่มันอาจจะอาศัยอะไรก็กได้แล้วก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ลามปามออกไป ที่นี้ในกรณีของความริษยาบางก็เกิดต้องการเอาชนะพอมาแข่งดีก็ต้องการชนะ้หาหาก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายขึ้นมาก็บังก็เกิดขานกันแล้วตัวเองไม่เป็นที่ชอบใจพอใจของสามีแล้วไอสมบัตินั้นก็อาจจะไปได้แก่ลูกชายของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ในที่สุดบัก็เดินหน้าออกไปเป็นการฆ่าสัตว์ เอาไปเป็นการมุสาวาดออกไปเป็นการทนสาบานกรนี้ก็ตามแนวของอกุศลทั้งหลายไอจากแนวความนิสยานี้ในอันตลกถานธรรมบทเองก็ได้เล่าไว้หลายเรื่องด้วยกันเช่นว่าเรื่องพระนางโรหินีซึ่งเป็นกนิษฐภคินีของพระอนุรุตเถระซึ่งก็มีศักด์เป็นน้องของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นเพราะเป็นลูกพระเจ้าอาเป็นขัตยานีที่สวยงามมากแต่ว่าเป็นโรคเรื้อน เป็นโรคเรื้อนตามตัวนะฮะมันก็ปกปิดไปด้วยผ้าได้ส่วนใบหน้าก็ไม่มีอะไรคราวนี้พระพุทธเจ้าได้หาวิธีช่วยโดยการให้นางสละเครื่องประดับคือขายเครื่องประดับแล้วไปสร้างศาลาสร้างศาลาเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์คือฉันพัะตาหารนี่บนพระมาฉันพัะตาหารห น, นี นางก็ทาหน้าที่บำรุงปัดกวาดซาลาเหล่านั้นจนในที่สุดวิบากกรรมมันก็หมดโรคเรื้อนก็หายไปกลายเป็นคนสวยงามแปรพชนมายุสั้นต่อมาก็ทิ้นประชนไปบังเกิดในดาวดึงสวรรค์ระหว่างแดนต่อแดนของเทวดาสี่องค์อันนี้ก็เกิดเทวดาแย่งเทพเทพธิดาเข้ามันก็เป็นเรื่องที่ออกจะขำๆดีเหมือนกัน เ่าเสียเชิงเทา้าสกะจนได้แต่เรื่องมันยาวนะฮะคือสรุปวันนี้ก็เกิดมาจากฤิษยาฤิษยาในหญิงร่วมสามีเหมือนกันคือเกิดมันซ่าหญิงร่วมสามีตัวเองเป็นหญิงมันก็เอาไว้พวกขุยหมามุ้ยอะไรอะไรเนี่ยไปใส่ไปโรยไว้บนที่นอนของหญิงร่วมสามีเธอก็คันก็เป็นแผลเปื่อยไหนที่สุดก็วิบากกรรมนั้นก็ส่งให้นางต้องเป็นโรคเรื้อน เรายังคู่หนึ่งที่เรื่องเรื่องานางนางยักษินีอันนี้เป็นการจองเวรจองกรรมข้ามภพข้ามชาติกันนานพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าย้อนหลังให้ฟังแต่ว่าชาติในพุทธกาลนั้นอีกฝวายหนึ่งเป็นกุลธิดาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยักษินีมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติกันยุ่งไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครตอนหลังสรุปว่ามันก็เริ่มต้นมาจากฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นหญิงหมัน ฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นกุลสตรีที่หญิงหมั่นไปขอมาให้เป็นพันยาน้อยของสามีเพื่อจะได้คลอดลูกหัวปีปิดประตูนรกให้สามีแต่ว่าพอพันยาใหม่มีคันแกก็แอบปรุงยาให้คันแงทงแททุกทีเลยจนครั้งที่สครั้งที่สมเพื่อนบ้านเขารู้เข้าก็แนะนําอย่าบอกบอกก็อย่าให้บอกแกก็หลบหลบส้น แต่งตัวไม่ให้เป็นที่สังเกตว่ามีขันมังคันขึ้นไปตั้งห้าหกเดือนแกพอรู้ข้าวก็ปรุงยาอย่างแรงกันแอบใส่ให้กินแต่กินมันไม่ยอมแทงอะ่ะแข็งเกินไปแล้วก็ในที่สุดก็ตายแต่ก่อนจะตายนั้นไอ้กุลสตรีคนนี้ก็ผูกอาฆาตไว้มันก็จองเวรจองกรรมขอจองล้างจองผานกันทุกชาติเลยก็พอตายไปแล้วไอ้คนหนึ่งมันก็เริ่มเริ่มจากไหน คือนางยักษ์เอเอ เ, อเอมียหลวงก็เกิดเป็นไก่เมียน้อยก็เกิดเป็นแมวเพราะมันกตายจิตเศ้าหมองทั้งคู่ตายจิตเศ้าหมองทั้งคู่เลยไอแมวก็ไม่กินไอไข่ไก่หมดเลยเสร็จแล้วพอถึงที่ก็จริงๆก็กัดแม่ไก่ตายต่อมาก็กลับอีกกลับไอแม่ไก่นั้นมาเกิดเป็นเสือเหลือง ไอแมวนั้นมาเกิดเป็นโคเสือเหลืองมากินลูกโคอีกก็หมุนกันอย่างเงี้ยสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ทราบคนไหนเป็นใครแล้วนะมันเปลี่ยนกันเยอะเหลือเกินแต่ว่าคนหนึ่งนั้นมาเกิดเป็นยักษิีนีคนหนึ่งมาเกิดเป็นกุลธิดายักษิขี้นก็มากินลูกของนางกุลธิดาด้วยกันจนต้องหนีหนีก็ไปคลอดในที่หนึ่งนะยักษนีสืบไม่รู้ พอรู้ข้าก็ตามลา่านางก็วิ่งเข้าไปที่ประเชศตะวันเอาลูกปางที่พระบาทพระพุทธเจ้าก็ขอให้พระพุทธเจ้าช่วยเสร็จแล้วพระเจ้าประเทศโปรดให้กลับคือระ ง, งับเวรนะฮะเนี่กเขาพระพระุทธดํารัสที่ทรงสแสดงว่าในการ ใ, ใดก็ตามเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่จะระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร เพราะนคนไปผูกเวรว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นได้ประทุษร้ายต่อเราแลเวรก็ขอก็ไม่ระ ง, งับแต่จะระ ง, งับได้ด้วยการไม่ผูกใจเช่นนั้นไม่มีการจองเวรจองกรรมเช่นนั้นเพราะเรื่องนี้มันก็ยุติกาหลักในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอกุศลที่เราเห็นได้ชัดก็คือมานะริษยามุสาวาตปาณาชีบาททนสาบาลเป็นกิเลสประเภทที่ เพิ่มความรุนแรงให้ทั้งสายโลภะและก็สายโทสะจนถึงออกมาเป็นกายทุจริตเป็นวจีทุจริตอย่างที่ทราบกันเรื่องต่อไปนั้นเป็นออกจะแปลกแนตะ่มันไม่ใช่เชิงเปรตคือเปรตที่แปลว่าผู้ละไปแล้วเท่านั้นเองนะคือแปลว่าผู้ละไปแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงเปรตในเปตโลกก็มีใจความโดยสรุปว่า มีบาสุกคนหนึ่งพ่อท่านตายตายร้องไห้เผาพ่อแล้วก็ไปเที่ยวสอบถามเห็นพ่อผมบ้างไม้เพลคุ้มครุ่งครั่ ง, งไปในที่ต่างๆเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงรออยู่เพราะในขณะที่ท่านถูกความโศกท่วมพับใจนั้นไฟโสดาปฏิมกักรก็ลุกโพร่อยู่ภายในใจเหมือนกัน พระเจ้ารอว่าให้จุดที่ที่ที่ที่ท่านพอจะฟังอะไรกันรู้เรื่องด้วยกันคือบรรเทาความโศกอยู่ในจุดที่พอจะพูดกันเข้าใจได้พอเห็นนะพอถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จเสด็จไปแกก็ถามอีกอถามว่าพระองค์เห็นพ่อของข้าพระองค์บ้างไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอเธอหมายถึงพ่อในชาติไหนล่ะ พ่อในชาตินี้หรือพ่อในชาติก่อนหรือพ่อในชาติโนนบอกรักพ่อนะถ้าแกก็ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยในทังสาละวัดบางคนเป็นพ่อกันเป็นพ่อเป็นแม่กันมากไหมนับไม่ไหวหรอกเธอจะเอาพ่อในชาติไหน่ะเพราท่านเห็นว่าไอ้พ่อมันมีหลายพ่อเลยไม่รู้จะพ่อไหนกันดีก็เลยก็เข้าใจเหตุผลได้พอเข้าใจเหตุผลได้พระพุทธเจ้าก็เริ่มแสดงพระธรรมเทศนา วอกอัตยาสายไปโดยลำดับจนถึงอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทั้งก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรเทาความโศกไปได้ภิกษุทั้งหลายก็อัศจรรย์นะฮะพระโกนี่เกือบบ้าไปเลยที่วิ่งถามจับมือถามเห็นใครก็ถามถามหาพ่อเลยพระพุทธเจ้าไปเทศนิดเดียวได้หายความโศกและบรรลุมรรคผลก็ทูลกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณว่า เป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าสามารถกลับจิตใจของพราหมณ์ได้ในขณะระยะเวลาไม่ไม่นานนะักพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเรื่องนี้ไม่แปลกครับในตอนนีนะ้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ตอนเราเป็นคนธรรมดาเราก็เคยปรับใจพราหมณ์นี้มาได้แล้วก็เล่าให้ฟังในอดีตการนานไกลพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่ง รามคนนั้นก็พ่อตายไปกั น, น, นพ่อตายก็เที่ยวโบนเพอไปเอาอาหารไปให้พ่อที่เผาศพไปทุกวันเสร็จแล้วก็ร้องไห้ก็นั่งคุยอยู่ที่เผาศพกเก็บกระดูกมามาถึงก็เอาอาหารไปให้กินแล้วนั่งคุยกันที่ใส่กระดูกอยู่นั่นแหละทุกวันทุกวันลูกชายชื่อสุชาตะเป็นคนฉลาดมากเห็นว่าพ่อในทักจะอาการหนัก บอแกก็คิดจะหาวิธีอุปายวิธีแก้ไขพ่อไปพบซากควายแห่งหนึ่งตัวหนึ่งตายใหม่ๆแกก็ไปตัดหญ้ามันถึงก็กองไว้เลยกองแล้วก็เรียกควายให้ลุกขึ้นกินหญ้าควายไม่ลุกขึ้นกีเคียนนมาลุกขึ้นลุกขึ้นมากินหญ้าลุกขึ้นทําไมไม่ลุกขึ้นดึงบ้างตีบ้างดึงบ้างตีบ้างคนก็มาลอ้อมดู น, นี่มันจกจะบ้าตามข้อมนะัน ก็เกิดสงสัยขึ้นมาเพราะว่าเป็นคนฉลาดมากสุชาตะนี่ทําไมวันนี้ทําอะไรเพี้ยนเพี ย, พ ย, พยอบคุณาก็ไปบอกลูกชา ย, ยไปบอกพ่อนะบอกไปดูลูกชายคุณน่ะเป็นบ้าไปแล้วไม่รู้เป็นไงไปเครียนคลายให้ควายตายลุกขึ้นกินยากพ่อก็มามาถึงเห็นลูกชายยังทาไม่รู้ไม่ชี้ไม่หันดูใครพ่อก็ไปถามว่านี่ น, นี่เป็นไงเพราะสุชาตะนี่เธอบ้าแล้วหรือ ไม่ดูรุควายในมันตายมันจะกินหญ้าดได้ยังไงการกระทำของเธอนั้นมันเป็นเป็นการกระทําที่ร้ายเดียงสาไม่มีเหตุไม่มีผลลูกชาก็ถามมพ่อว่าอย่างนั้นนะ่ะก็อย่างนั้นคือทั้งกระซ้ําเติมต่อไปอบรมต่อไปลูกชาบอกเนี่ยมันก็ต้องหยุดคิดในระหว่างพ่อกับผมเนี่ยคือว่าปูนั้นมันอยู่เป็นเลือด ก, กระดูกแล้วนะพ่อนะอยู่ในกระดูกใส่อยู่ในโถแล้ว พ่ อ, อยังไปนั่งคุยกันได้เอาเข้าวมาให้กินแล้วก็นั่งคุยกับกระดูกอยู่ได้แล่ควายในหูมันก็ยังมีนะเพอนะปากก็ยังมีหนังหนึ้อก็ยังไม่เปือ่อยไม่แน่วควันมันก็ยังอยู่ผมว่ามันน่าจะกินได้ง่ายกว่ากระดูกปู่ที่จะกินข้าวพ่อก็ได้สํานึกพ่อก็ได้สํานึกว่าเออพระท้จะพูดถึงบ้านนี่มันเราชักจะบ้ามากกว่าก็เลยก็ยกย่องลูกชายว่าเนี่ย คือลูกได้เขี่ยผงที่ปิดบังดวงตาพ่อเอาไว้ให้ออกให้ความสว่างแก่พ่อได้ให้สติแก่พ่อก็ชื่นชมต่อลูกชายแล้วก็ทรงสรุปชาดกในตอนสุดท้ายว่าชุจาตะก็มาเกิดเป็นพระองค์พราม์นั้นก็มาเกิดเป็นพรามน์นี้เพราะงั้นเป็นคู่ปรับกันมาก่อนโดอคนอื่นพูดกันไม่รู้เรื่องก็มาเจอคู่ปรับมันก็แก้กันได้แต่ทีนี้เรามองย้อนถึงตัวคติธรรมซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เปรตนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปตตโลกนะฮะแปลว่าผู้ที่จากไปเพราะฉะนั้นโดยความหมายโดยสรุปแล้วเนี่ยคือคนที่ตายทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเปรตทั้งหมดแต่ทีนี้คํานี้มันฟังลคล้าคๆคำหยาบที่จริงไม่หยาบอะไรนะฮะผู้ที่จากไปแต่นั้นเองผู้ที่จากไปเฮเปโตไปวัลละไปแล้วภาษาบะที่เราเขียนเราเขียนเป็นภันานกฤษเราเขียนว่าเปรต ใ่ที่จริงบาลีก็เปตะคือแปลผู้ละไปแล้วผู้จากไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ท่านจะพบในบางเรื่องในเปตะวะัตถุนี้เองพูดถึงพรหมเลยนะฮะแต่ก็เรียกว่าเปรตเหมือนกันคือแปลผู้ลกไปแล้วในประเด็นของเรื่องนี้ที่น่าศึกษาก็คือว่าการไม่ยอมรับความจริงในแง่ของสภาวธรรม บางครั้งคนเรานั้นมีสติปัญญามากมายเหลือเกินมีบารมีธรรมที่อบรมสั่งสมมามากแต่มันไอเมฆหมอกเครื่อวิชามันเกิดปิดบังปัญญาจากสุขเอาไว้มันก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันจยงในกรณีของอุบาสกท่านนี้ท่านก็มีอุปนิสัยบารมีพระพุทธเจ้าทรงใช้ว่าโสดาปฏิมักไฟคือโสดาปฏิมักลุกโรลงอยู่ภายในใจแต่ถูกความโศก มันมันมันมันไปปิดบางไอ้เปลวไฟนี้เอาไว้แล้วก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับฟังเหตุผลอะไรได้มันก็เหมือนอะไรคือผงข้าตาตัวเองเราออกไม่ได้แล้วคนประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่จำนวนน้อยๆเลยเราดูตัวอย่างที่เคยเล่ามาแล้วคือพระประชาบดีเอกไม่ใช่พระประตาจาราเทรีที่ว่าญาติคนใกล้เคียงท่านตายคืนเดียวหกคน น, นั้นก็ตั้งหลักไม่ได้เหมือนกันหรือพระกีสากุลจะมีที่ลูกตายส่วนมากพวกภิกษุณีนะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยบางทีก็มากันเป็นสิบสิร้อยๆนะฮะที่พระปตาจรารถรีท่านแก้ให้คือปัญหาเรื่องลูกเรื่องพลาดพราดเรื่องสามีตายเรื่องลูกตายเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยก็เรื่อ ง, อ ย, ง, อ, งอย่างที่มีอยู่ในโลกนี่นะปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ท่านอนะ่ะดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าภายในจิตใจของท่าน จะมีบารมีธรรมสูงส่งขนาดว่าบรรลุอรหันต์เป็นพระหันได้แต่ถึงบางครั้งบางคราวมันก็หลงทางได้เพราะอะไรเพราะว่าการกระแทกกระทันจากอารมณ์ภายนอกด้วยการกำหนดถึงวัตถุบุคคลอันเป็นที่รักขอพระพรากจากไปท่านเองก็ตั้งหลักไม่ได้ทีนี้ เวลาใกล้รุ่งของราตรีทุกคืนก็อย่างที่เคยเล่ามาแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะต้องตรวจ ด, ดูสัตว์โลกก็ทรงเห็นแต่ยังรอเพราะเพราะท่านโศกมากแล้วกันท่านโศกมากไม่พร้อมที่จะฟังเหตุผลมันต้องพยายามกระตุกอะไรให้เกิดความคิดจะก่อนแตอย่างไรคะที่พบท่านภัตตะวัคีพบท่านพัตตะวัคีพระพุทธเจ้าก็ ที่เขถามว่ามาสาํานักเห็นผู้หญิงบ้างไหมพวกนี้ก็ตาลายนะพระเจ้า ก, ก็กระตุกใหม่เธอจะหาผู้หญิงดีกว่าหรือหาตนดีกว่าหรือแม้แต่ในเรื่องพระเวศสันดรนท่านจะเห็นว่าตอนพระนางมัสีกลับจากป่าที่หลังจากให้การหาชาลีไปแล้วนะพระพุทธศาสน็ใช้วิธีกระตุก คือแทนที่จะพูดเรื่องลูกพูดเรื่องอะไรก็ไม่พูดไปพูดไปหาว่าไปคบชูสู่ชายหายไปเลยเพื่อเปลี่ยนความโศกให้เป็นความโกรธเพราะอะไรเพราะความโศกนั้นมันกินลึกมากความโกรธมันเกิดวูบแล้วมันหายได้มันสามารถใช้วิธีแก่น้นาโบงนามนะฮะคือใช้กิเลสประเภทหนึ่งไปถอนกิเลสประเภทหนึ่งหรือใช้กิเลสประเภทเดียวกันไปถอนกิเลสประเภทเดียวกัน นี่ก็เป็นเป็นวิธีที่แก่พอมาถึงพรามท่านก็ไปเกิดถามมาเห็นบิดาเขาบ้างไหมพุทธเจ้ากระตุกแรงมากนะฮะบิดาในชาติไหนล่ะมันก็งงกว่าสมควรนะก็งงว่าสมควรจะได้บางคนต้องตั้งปัญหาพระพุทธเจ้าได้มีปัญหาแกก็ตั้งปัญห า, ม, ญห า, ญหามันเป็นการเปิดทางให้มีโอกาสมาคุยกัน แล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงให้เห็นความไม่สิ้นสุดแห่งสังสารวัฏเนะี่ยเพราะว่าในแง่ของสังสารวัฏแล้วคนเราไม่เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั้นไม่มีเลยแต่มันนานไกลหรือว่าใกล้การเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นอาจจะในแง่ของความเป็นมิตรหรือในแง่ของความเป็นศัตรูกันก็ตามแต่ว่าคนเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสังสารวัฏที่หาเงื่อนต้นที่สุดไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นถ้าจะโศกถึงพ่อ มันก็ต้องนังนับพ่อกันนะก็โศกันทุกคนแล้วก็ยุ่งแกก็ได้คิดนะแต่มันคนมีบา ร, รมีนะถ้าไม่คนคนไม่มีบา ร, รมีก็หาว่าพะุทธเจ้าพูดกวนอีกก็ถามเรื่องไปตอบเรื่องเนะึ่งก็คล้ายๆกับองคุริมานให้ท่านมองดูแนวว่ามันต้องหยุดคิดอะเอาหมาสำนาะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอไม่หยุดก็หยุดต้องหยุดคิดอะ เพราะในขณะที่รับสั่งนั้นองค์ก็เดินอยู่แต่องคุริมาหยุดนี่คือกระตุกความคิดจากไอแนวที่มันดิ่งไปแล้วดึงกลับมาหยุดให้อยู่ในจุดที่จะพูดกันได้ข้อนี้จึงเป็นการแสดงสัจจะของชีวิตอีกประการหนึ่งว่าในสังสารวัฏอันยาวนานนั้นคนเราก็เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเคยเป็นญาติพี่น้องกันบ้างเคยเป็น พ่อแม่กันบ้างพ่อแม่ลูกกันบ้างแล้วเคยเป็นศัตรูกันบ้างก็แล้วแต่แต่อย่างเคยบอกขอให้ข้อสังเกตประการหนึ่งซึ่เราเห็นได้ง่ายมากเลยคือการที่เราพบใครก็ตามในครั้งแรกแล้วเรามีความรู้สึกรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกรังเกียจไม่ชอบบั่นไสก็แล้วแต่ความรู้สึกความเข้มข้นนะฮะทั้งๆงที่ว่าเป็นการพบกันครั้งแรก ทำไมจึงเกิดความรู้สึกเช่นนั้นก็ตอบได้ว่าเป็นการพบครั้งแรกสมับชาตินี้แต่หลายครั้งในชาติก่อนๆซึ่งบางครั้งมันแรงความผูกพันควา ม, วามย่อใหญ่ที่แรงใกล้ๆท่านนักุลบิดานะักุลมารดาเป็นอุบาสกอุบาสิการะดับอนาคามีแต่ว่าก่อนนั้นนะฮะก่อนที่ท่านจะเป็นพระอนาคามี มาถึงเจอพระพุทธเจ้าสองคนแม่ลูกมาทักเล้วลูกไปไหนมานี่พ่อกับแม่เจะตามหาอยู่น้องๆก็บน่นเรื่องเจ้ากันอยู่นี่นะจากไปนานมามามาไปบ้านจับมือพระพุทธเจ้าไปบ้านพระพุทธเจ้าก็เสด็จตามเฉยแล้วก็ไปถึงไงพวกน้องๆก็เกิดมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงว่าพี่ชายใหญ่มาแล้วมาเข้ามล้องกันเป็นการใหญ่เลยจนพิกิตุทั้งหลายก็งงงงไปหมดเลย ว่าทำไมพระพุทธเจ้าไปยอมรับคล้อยตามเขาและทำไมคนเหล่านั้นจึงมีความรู้สึกได้อย่างนั้นเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะพรามเนี่ยพรามสองคนสามีพัญญาและก็พวกเนี่ยเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นอะไรเป็นพ่อแม่ลูกกับพระองค์มามันติดต่อกันเลยตั้งห้าร้อยชาติโดยไม่มีอะไรขั้นไหนเพราะในความผูกพันที่สะสมไว้ภายในจิตตะนดาลมันลึกมาก พอมาเจอข้าวมันก็ได้กระตุ้นซึ่งเชื้อความรู้สึกนั้นก็มีอยู่ก่อนแล้วในสุดก็แสดงออกมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตัวเหมือนลูกเหมือนกันนะฮะถ้าหมอกะพรามสองคนสามีปัญญาเนี่ยเวลาเจ็บ่ายได้ป่วยก็ไปดูแลรักษาพยาบาลเวลาตายก็จัดการศพให้เองจนว่าชาวบ้านตอนก็ทำศพ นกุลบิดานกะุลมารดายังมาปลอบพระพุทธเจ้าแนละ้พระพุทธเจ้าอยาไปเศร้าโศกเสีสยใจในพระรมก็ได้ไะคนมันก็ทะลึงเนเะ่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร อ, อทีนี้มาประเด็นต่อไปก็คือเรื่องเรื่องความคิดในการช่วยนะฮะความคิดในการช่วยอย่างผู้น้อยจะสอนผู้ใหญ่ในวินัยเนี่ยท่านแสดงเหมือนกันก็ไม่ไม่ใช่ว่า อาจารย์จะสอนลูกศิษย์ได้เสมอไปลูกศิษย์ก็สอนอาจารย์ได้แต่มันก็ต้องมีอุบายยีบีทีมีอุบายยีบีทีที่จะสอนที่จะให้สติโดยท่านไม่มีความรู้สึกโดยท่านไม่มีความรู้สึกว่าท่านถูกสอนเพราะอาจารย์นี่มาณนะว่าเราเป็นอาจารย์แนวกิเลสตัวนั่นกันนะลูกศิษย์ไปให้สติตักเตือนอะไรก็ไม่คดได้แล้วก็มีวิธีสอนอย่างนี้ก็สอนแนวเดียวกับที่ท่านเล่าถึงไอเด็กคนหนึ่ง พ่อมันไม่เลี้ยงดูปู่ปล่อยทิ้งปู่ผ้าจะข่มก็ไม่ค่อยมีอาหารก็ไม่ค่อยมีไอ้ลูกชายมันก็รักปู่หล้านชายเนี่ยรักปู่มากแต่ว่าพ่อก็รังเกียจปู่ทําให้สนใจไม่ได้ใจจนถึงกับโกรธปู่ไอ้อไม่ใช่โกรธพ่อเลยรังเกียจพ่อทํากะลาขูดกะลาให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้พ่อกินข้าว ล้านชายมันจะคิดได้หรืออะไรก็ตามหรือไม่ไม่ไม่ประสีภาษาก็ตามบางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ประษาก็ได้วันหนึ่งแกนั่งขูดกระลานั่งขูดขูดพ่อถามว่าทำอะไรลูกขูดกระลาขูดทำอะไรเอาไว้ใส่อาหารให้พ่อกินเวลาแก่มันปู่อันนี้เป็นเป็นคำถามที่ออกจากไรเดียงสาคื อ, อยังเด็กๆนะฮะ มันก็เหมือนกับคาถามที่ที่เคยเล่าออฟังวันก่อนว่าพ่อกับลูกไปด้วยกันก็ไปเจอปลาคลอกหนึ่งอะคลอกหนึ่งมีลูกปลาเป็นแถวพ่อก็จับแอลชั่วโมงมาแทงปลาพอเงื้อจะแทงลูกถามมาทําอะไรพอจะแทงแล้วแทงแล้วมันไม่ตายแล้วก็ตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครล่ะพออันนี้ก็ได้คิดฮะ พ่อ ก, ก็ได้คิดกวางชั่วโมกไม่แทงนี่เป็นการเตือนให้สติโดยเด็กที่ที่ได้เด็กาแต่ก็สร้างความสํานึกได้หรือยังสุชาตากุ ม, มารเตือนพรามบิดาที่ร้องให้เสียใจยนั้นก็เป็นวิธีเตือนวิธีหนึ่งซึ่งถ้าท่านา น, านึกออกแนวที่อามาเคยเล่าเรื่องมาตากุลตลีแนวเดียวกันเคใช้วิธีเตือนแนวเดียวกัน แต่ก็เครื่องมือเครื่องไม้ในการเตือนคนละอย่างกันแต่นั้นเองคือแทนที่เราจะไปพูดกับพ่อก่อนคือตั้งต้นกับพ่อก่อนให้พ่อมาตั้งต้นกับเราเะก่อนแล้วก็ดึงประเด็นเข้าหาหัวข้อที่จะคุยกันจะสร้างเงื่อนไขที่จะให้ดึงเข้าหากันได้พ่อร้องไห้เสียใจนั่งคุยกับไอ้โถใส่กระดูกไอ้ น, นี่ก็มานั่งเคี้ยนควายให้กินหญ้าควายตายให้กินหญ้ามันก็พอๆกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเราจะพบอาการกระทําของสุจาตะมันน่าคิดมากกว่าเมื่อพ่อท่านมาแรงเล่นถึงจนถึงกับบ้าบออะไรต่อะไรสุจาตะก็ดึงเขาหาประเด็นได้ทีนี้เรื่องการเคยปรับกันนี่ยมันก็เรื่องแปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกมากมันจะเป็นกฎอะไรอย่างหนึ่งของสังสารวัฏก็ไม่ทราบเพราะาเรื่องเรื่องแนวที่เคยปราบเนี่ย มันไม่จะมีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวมีเรื่องเป็นอันมากที่คนอื่นแก้ไขไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทร ง, ทรงแก้ไขได้แล้วพอเล่าเรื่องแล้วก็ปรากฏว่าคนเหล่านี้พระองค์เคยแก้ไขมาแล้วในภพในชาติก่อนๆหรือแม้แต่เรื่องพยามิลินที่จริงพระเทระที่มีวิชาความรู้ได้พิญญา แต่ฉันในปฏิสัมพิทาที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขาดแคลนอะไรก็มีนะแต่ไม่ใช่เป็นคู่ปรับกันมันแก้กันไม่ได้คื อ, อ, อสําหรับคนอื่นพอพระยามีลินท่านท่านได้ยินชื่อท่านรู้สึกเฉยๆยแต่พอบอกชื่อว่านาคเกษนี่ขนลุกสู้เลยได้ยินคำว่านาคเกษแท่นั้นขนลุกสู้เลย เดี๋ยวพอเจอพอประจันหน้าข้าท่านก็สั่นไแล้วมันเป็นการกำราบกันในทีจนขนาดวันนั้นท่านไม่กล้าถามปัญหาต้องข อ, อนิมนต์เข้าไปคุยกันในวังสแสดงให้เห็นว่า เ, าเรื่องอิทธิพลของอดีตกรรมในแง่ที่เป็นตัวปรับกันเป็นคู่ปรับกันเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นอันมากแล้วก็เป็นเรื่องจริงจริงปัญหาเอ่อ เรื่องต่อไปนั้นก็เป็นเปรตอันนี้ก็เปรตแปลกเหมือนกันก็โดยสรุปว่าคราวหนึ่งภิกษุกลุ่มหนึ่งก็มาพบกับเปรตแต่ว่าท่านเดินทางในผ่านต้นไม้แห่งหนึ่งรุกเทวดาก็ออกมาช่วยเหลือท่านแในขณะเดียวกันท่านก็เห็นเปรตตนหนึ่งที่ร่างกายน่าเกลียดหน้าขยะขยะงเหมาห น, น้าเปื่อยผุพัง เ, เทวดานี้ก็พยายามช่วยเปรตนะ ส่งผ้าให้อะไรให้นิมิตให้พอไป <c oughs> ผ้าดีๆนะฮะพอไปถึงเปรตมันกลายเป็นหนามส่งอาหารไปให้เอาไม่เป็นอาหารนละเป็นของเปื่อยเน่าสกรปรกของตอนที่อยู่ในมือเทวดามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพอไปถึงมือเปรตมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเพิ่มความเจ็บปวดรุนแรงให้เกิดขึ้นแก่เปรตดยตลอดภิกษุเหล่านั้นก็ถามรุกเทวดาว่า เปลีนนี่มันเป็นอะไรไม่ได้เล่าเองนะฮะตอนนี้เทวดาเล่าท่านก็บอกว่าในอดีตการก็ไม่ใช่อดีตการการนั้นแหละแต่ก่อนนี้มีภิกษุกลุ่มหนึ่งท่านออกแสวงหาที่ทํากรรมฐานชาวบ้านในที่แห่งหนึ่งก็เห็นข้าวก็ น, นิมนต์ให้อยู่ในที่นั้นแล้วก็ทํานุบํารุงสร้างกระท่อมเล็กๆให้ ท่านควาเป็นเพียงชาวบ้านก็บำรุงกันมาสนทนาธรรมมาฟังธรรมมารักษาศีลกันแต่ก็ไม่เป็นกิจลักษณะออมากมาอย่างที่เราทํากันในปัจจุบันคือชาวบ้านเองคือสรุปว่ามันไม่เป็นวัดอ่ะคล้ายๆกับไปตั้งสำนักสงฆ์เล็กๆขึ้นแต่หัวหน้าบ้านเนี่ยเป็นคนมีศรัทธามากแล้วท่านก็มีพัญญากับน้องพัญญาอยู่อยู่ด้วยกัน ปัญญาของท่านนั้นโกรธที่ที่ที่ที่สามีไปวุ่นวายกับพระไปเที่ยวบำรุงบำรุงพระนเนี่ยก็ด่าว่าด่าว่าสามีก็เฉยก็ในที่สุดท่านก็ว่าคือด่าแล้วมันมันอะไรคือบอกว่าผ้าที่เอาไปให้เอาไปถวายพระเนี่ยคือคือให้ท่านนอนบนหนามจะดีกว่าหรือว่ากินของสกปรกจะดีกว่าอะเนี่ย คือแช่งอ่ะคือสรุปคล้ายๆกับแช่งสามีอ่ะราะั้นทั้งสองคนเมื่อตายไปสามีก็บังเกิดมาเป็นรุกขเทวดาปัญญาก็มาเกิดเป็นเปรตแล้วก็รู้เทวดาก็รู้ว่าเป็นใครตั้งก็พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็เกิดสงสัยสอบถามแล้วเมื่อท่นานเล่าฟังก็แปลว่ามันก็ควรจะมีวิธีแก้ไขได้ คราวนี้ก็เป็นมาปมันก็ไม่ค่อยแรงอะไรเท่าไหร่นะไม่ค่อยแรงเหมือนกับสองเปรดที่แล้วมันมีแต่ว่าริ์เสีในการทําความดีของสามีแล้วก็ด่าว่าสามีภิกษุก็แนะนําว่าเทวดานี่ควรจะควรจะนิมิตอะไรขึ้นมาคือสร้างอะไรอธิษฐานให้ได้อะไรขึ้นมาแล้วเอาไปทําบุญแล้วอุทิศกุศลไปให้เทวดาก็ทํา คือแ ท, แทนที่จะส่งให้ตรงตัวเนี่ยมันรับไม่ได้ก็ใช้วิธีทักษินานุปาทานคือทำบุญและอุทิกศกุศลส่งไปให้ในที่สุดเมื่อเทวดาท่านทำเปรดก็ได้รับอนุโมตนาส่วนบุญแล้วก็กลับได้นี่ก็จากตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือความสรณีอะไรคือสณีในวัตถุเขาเรียกว่าลาภมัจฉระยะคือเสนีในลาภ ในลาบในฐานะที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการทำงานหาเงินมาเมื่อสามีเอาไปทำบุญก็เกิดริษยานั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ไอ้ถ้อยคำรุนแรงด่าว่าด่าว่าคนที่เป็นเป็นสามีก็ตลงว่าบาปบาปที่แรงๆซึ่งท่านทำออกจะเป็นกิจจะวัดเหมือนกันนะฮะแต่คงไม่นานหรอกเพราะว่าพระไปอยู่ชั่วคราวนั้น ก็ทําให้ท่านตายไปเป็นเปรตเรื่องของความสนี่ความหวงความติดในสิ่งต่างๆนั้นก็มีในแนวเนี้ยในเรื่องนายอะไรนพรานคืนศีลในพรานคืนศีลถ้าเราพบในแนวนายพรานคืนศีลจะพบว่าไอคนระยะทางที่นายพรานคืนศีลนั้นเป็นเรื่องของคนตสนีทส่วนมาก คือห่วงบางทีก็ฝังทรัพบเอาไว้แล้วก็กลายเป็นงูเหลือมบ้างเกิดเป็นงูเหลือมบ้างเกิดเป็นอะไรเฝ้าในสถานที่นั้นบ้างเป็นเปรตในที่ต่างๆหรือบางทีก็เป็นอย่างดีก็เป็นพระภูมิเจ้าที่พอสมพานขี้เหนียวขี้เหนียวนี่ตายเป็นพระภูมิเจ้าที่ว่าเป็นเป็นห่วงเป็นใยสมบัติพระสถานเดียววันก่อนนี่ท่านเล่าถึงก็ไม่บอกชื่อท่านคงไม่เป็นไร ยงกวีเนี่ยฮะยงกวีเวียงกวีเนี่ยที่สร้างกวีบรรณาลัยมีพระผู้ใหญ่สององค์นะท่านท่านตายไปแล้วไม่บอกชื่อท่านนะปรากฏ ว, ว่าไปเข้าไปหาเข้าไปหายงกวีบอกเอ้อกวีช่วยไปสร้างศาลาให้หน่อยนะไม่ต้องบอกวัดนะวัดทางโน้นเออ จะไป ส, สาร้างศาลาให้หน่อยนะทาศาลาค้างอยู่คือคุณกวีนี้ไม่เคยรู้จักเลยกับท่านรูปนี้แต่ก็นึกว่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วแกก็ไม่รู้จักนะฮะว่าวัดวัดนี้มันอยู่ตรงไหนแต่เพียงได้บอกชื่อบอกจังหวัดท่านก็ไปเลยไปก็รู้ว่ามีอยู่จริงศาลากาลังค้างอยู่ท่านก็ไปช่วยสร้างให้ นี่ก็คือความห่วงใยความห่วงใยในใ น, ในงานที่ที่ตัวเองทำแล้วค้างไว้ก่อนจะตายใจก็คงจะผูกพันอยู่ในเรื่องนี้ก็อา่าก็มาขอให้คนไปช่วยสร้างให้แล้วก็ ท, ที่ที่เมืองการอีกองหนึ่งองนั้นพระครูพระครูท่านไปสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ค้างไว้โบสถ์ค้างไว้ก็ ตามยังไงก็มาหาท่านผู้หนึ่งบอกว่าให้ไปช่วยทอดกระถินสร้างบทท่านผู้นี้ก็สืบจนรู้แล้วเสร็จแล้วถ้ไปทอดกระถินฮะก็ถามหาสมภารถามหาบรรยายรูปร่างให้ฟังก็บอกเอพระองค์นี้ไม่มีแนละทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาหาฉันเองอะ่ะมาขอไปช่วยทอดกระถิน ทำไปทมาปรากฏว่าองค์ที่สร้างค้างไว้นั่นเองื อ, อท่านตายไปตั้งนานแล้วนะครับรู้สึกว่าตายแถวอะไรตอนจศูนย์สองศูนย์สามแต่เนี่ฮะก็ยังเป็นห่วงเป็นใยในโบสถ์สร้างค้างอยู่งั้นจะจะภาพฐานะเขาดีก็เลยบอกโอ้ยท่านมาต้อมาเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องเล็กๆลล็กลน้อยอย่างนี้เลยเขาสร้างจะให้ดีแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่มาหาอีก นี่ก็สแสดงถึงอะไรคือความผูกพันในจิตใจที่ผูกพันใ น, นสิ่งเหล่านั้นบางทีมัก็ไปไม่รอดเหมือนกันดังนั้นในจุดนี้เราจะพบว่ามันก็เชื่อมโยงในระดับใดก็ตามในระดับของไอความยึดถือก็ทำให้จิตเราไปเหนียวไปนึกไปห่วงไปใยไปกังวลในเรื่องเหล่านั้น แล้บางครั้งบางคราวถ้าไปทําอะไรออกมาทางกายกับทางวจามันก็กลายเป็นบาปชั้นวัจีทุจริตชั้นกายะทุจริตอย่างนางเปรตตนนี้ที่ที่หวงทรัพย์สมบัติเท่านั้นเองและกับด่าสามีคือเวลาใครช่วยนั้นกรรมมันบางมันก็เข้าสูตรเปรตวันก่อนนะฮะเปรตวันก่อนที่พระเจ้าทรงแสดงว่าบางทีนี่ไม่ใช่อะไรมันมันกรรมมันบางเอาไว้ แทนที่จะนึกได้มันนึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรคือบางทีถึงคราวจะช่วยแต่ว่าการรมมันบังมันก็ช่วยไม่ได้คือไม่ได้รับผลตามที่ควรจะได้ไอเทพประบุทท่านก็พยายามช่วยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ช่วยไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเหตุให้เป็นเช่นนี้และจากเรื่องนี้มีท่านผู้หนึ่งท่านอุ ป, ปการชีวกไอ้นี่ก็แนวเดียวกันเลยนะะท่านเห็นว่าแนวเดียวกันเลย อุปการชีวกนั้นเป็นคนที่แปลกฮะตั้งแต่เกิดมานี่นมแม่ยังไม่กินเน่ยพอโตขึ้นหน่อยก็กินอุจจาระตัวเองได้กินเดือนกันเน่ยแม่ก็เอาไปฝากให้พวกนิครณให้บวชเป็นพวกนิครณคือพวกชีเปลือยก็ไม่ยอมไปเที่ยวบินธบาดไปอะไรลงไปกินอุจจาระอีกละ่ะพวกนิครณกลัวจะเสียชื่อ ก็เอาไปไล่ออกจากตํานักท่านก็ไปยืนขาเดียวยืนขาเดียวบนหินดาดที่ท่าน ท, ที่ที่คนเป็นคล้ๆกับคือสมัยก่อนอะ่ะบ้านนอกอะ่ะที่เข้ามาถ่ายอุจจาระครางวันถ้าก็ยืนขาเดียวกลางแขนบอกมีตะบะเดชะมากไม่กล้าเหยียบขาที่สองกลัวแผ่นดินจะสุดมีลมเป็นภักษาอ้าปาก ใช้เวลาทําอย่างนี้ตั้งนานตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะพระพุทธเจ้ามาเทศโปรดตอนปลายพุทธสมัยมเทศโปรดท่านก็หลอกคนคนนับถือจังเลยกันนะฮะเป็นศาสเป็นเรียกคณาจารย์คนหนึ่งที่ดังมากเหมือนกันท่านจาปุกาชีวกเนี่ยจำปุกานะฮะไม่ใช่อุปกาอุปการนั้นอีกคนหนึ่งเออเป็นคนดังจนจนเรียกว่าคนมาทุกวันเนี่ยขนเอาอาหารอย่างดีมาเลย ขอให้ฉันเพื่อจะได้ทําบุญหน่อยแกก็กินไม่ได้นะฮะไม่ใช่ไม่กินอยากกินแต่กินไม่ได้เพราะบาปรกรรมมันปิดบังเอาไว้และจากจุดนี้เองนะฮะเมื่อสืบสาวไปพุทธเจ้าเล่าไปฟังทีหลังว่าเมื่อก่อนท่านจำพุกาในท่านเป็นภิกษุก็อิจฉาเลยฮนะริษยาที่อยู่ริษยาที่อยู่ริษยาความเคารพนับถือที่ชาวบ้านให้แก่พระรูปอื่น มียคการตุกะมาในวัดเป็นพระรยาบุคคลอุบาสกเข้ามาเห็นข้าวเกิดศรัทธาเลื่อมสายนิมนต์ให้อยู่ที่นั่นแล้วก็มาช่วยตัดผมให้มาถวายผ้าใจจีวรให้หมายพระจีวรท่านขาดสมผานเกิดฤิิยาฤิิยาเลยก็ไปด่าเลยบกคุณนี่ถอนผมด้วยเสี้ยนตาลนอย่างดีกว่าที่จะโกนด้วยมีดของอุบาสกเขา นอนบนพื้นดินเสียดีกว่านะที่จะ น, <c oughs> นอนบนเสือซึ่งเขาให้กินอุจาราศีดีกว่าที่จะกินไไอันนี้เขาด่าเยอะแล้วพ ร, พระรูปนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเห็นว่าไม่ไหวแล้ OR. คือคือคือคือคือนอยู่คนนี้จะสร้างบาปมากยิ่งขึ้นท่านก็หลบไปใช่ไ e. แต่จากบาปที่เป็นอายุ ป, ประวัติคือด่าพระริยะเนี่ยก็โดนบรลดาไงท่านต้องมาเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปโปรดนะแต่บารมีความดีก็คือบารมีความดีท่านก็เสียนิดเดียวอ่ะบางทีมันก็เสียตัวเนี้ยเสียพวกอิจฉารี่สยาอะไรต่นไรเนี่ยทึ้งยังแปลกนะฮะว่ามันทําจะเอาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้บางทีแกจะตายแล้วมานั่งอิจฉากันมานั่งคอนกันคอจะเครียดไรได้ไทําอะไรกันมันจะตายอยู่เลยนะมันจะเอาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เรื่องแปลกจริงๆริงเย คือนี่มันบางทีฟังข่าวเรื่องราวอะไรอะไรเนี่ยบางทีผู้ใหญ่ท่านเล่าคนนั้นไม่ถูกก็คนนั้นคนนั้นอีจา้าคนนั้นมานับอายุแล้วแล้วมันทีเตรียมลงเตรียมลงไม้จำปาไม่ได้แล้วก็ไม่น่าจะไปวุ่นวายอะไรมันก็วุ่นวายอย่างเงี้ยนี่นี่คือกิเลสที่มันดันในในสุดท่านก็นประสบปิบักกรรมพอมประสบปิบักกรรมแล้วมาดูอีกทีหนึ่งซึ่งท่านจะเห็นว่ามันมันมันยุติกันหมดเลยนะ ยุติกันหมดอย่างที่โยมคนหนึ่งอันนี้มาไปดูมาเองเลยไปเห็นมาเองไม่ไม่ออกชื่อกันนะท่านผู้นี้ออกเอาเงินในเขากู้นะดอกเท่บต้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองดึงเงินจังในะรวยจังเรียกเงินใส่เป็นปี๊บกูดฝังดีในปลูกต้นพระหลังทับไปข้างบนต้นพระหลังก็คล่อมอยู่แล้วแกก็นั่งมองต้นกรลังนะก็ไม่ก็ได้นอนนะปร้อมใดู แล้วที่บ้านแกนะสร้างเป็นตึกสวยแต่ประตูหน้าต่างไม่มีเลยกลัวขโมยจะเข้ามาแล้วที่ทางเดินไปเตียงแกนะฮะมีอะเศษเหล็กบ้างเศษกระเบื้องบ้างขวางไว้ถามว่าทํายังไงในป้ า, าทำมาทําไมกลัวโจรจะเข้าก็ถ้าโจรเข้ามามันจะดุดตรงนี้จะได้ตื่นก่อนอ้ยอุดอูดอด้จังเลยนนะั้ที่จะหายใจไมยก็มีเลยก็ยอยู่แล้วก็ที่ใต้เตียงยังขุดเป็นรูเอาไว้อีกหลบลงไปนอนในใต้ดินนะ่ะ รวยจนจะมาปล้นมันน่าสงสารจังเลยนะฮะเงินแกนเป็นสิบสิล้านนะเงินจังน๊งเลยรวยจังแต่ว่าอยู่หน่าสงสารนสุดอุดอู้เนี่ยทุกวันเขาไอ้บ้านหลังนั้นเอามาซ่อมใหม่เอามาเจาะหน้าต่างใหม่แกอยู่หน่าสงสารมากจริงๆไงแต่แก็อยู่ได้แปลกมันเรียกกรรมปฏิสารโนคือกรรมมันเลี้ยงไว้แกกินข้าวแดงปนกระปนกระปนกรนกระนกะนะข้าวแดงปนกากนะ แล้วก็ตามอุตภิทจะเกลือกินอยู่อย่างนี้เละแปปีแล้วตอ น, นมาพ่อแก่ถามทาไมป้าไม่ซื้อของเดียวแล้วเลี้ยงแมวกันนะฮะปลาทูทอดกรอบอย่างดีเลยข้าวขาวเลยข้าวขาวแล้วดูแมวก็ดูที่ป้าแกกินนแม่น่าสงสารจริงๆนะทำไมฮะแกกินไม่ได้ฮะพอกินดีเกินนั้นแล้วอาจเจียนออกหมดเลยกินข้าวไปไม่ได้ป้าเงินเก้าล้านยี่สิบ้านทำอะไรไม่ได้เลย ตอนนั้นที่จิงแ ก, กกลับใจแล้วนะเป็นอุบาสิกาวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาอะไรเรียบร้อยไปแล้วแต่มันเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยตั้งมูลนิธิให้วัดวารามต่างๆเยอะตอนนี้บาปมันแรงอะ่ะมันมันมันเพราะตอนแกให้ไอ้อะไรเรียกต้นทบดอกอต้นทบดอกตอนสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวบ้านนี่มันอดกันไอเด็กๆนี่อดข้าวเลยนะถึงเวลาแกไปเอาจนได้นักทวงยิ่งกว่าแขกไ่ออีกทวงชั้นดีเลยแกตามตื้อเอาจนได้ผัวแกทนไม่ไหวต้องหลบไปบวชผัวเป็นจีนผัวเป็นจีนผัวไทยยังไม่ค่อยชาตดดิสู้เมียไม่ไหวเลยหลบไปบวชแล้วก็ก็แยกทางกันเพราะยังไงมันต้องแยกกันแน่นะแล้วในในในที่สุดเนี่ยแกก็อยู่อย่างนี้จนตายเลยกินไม่ได้ ไม่ใช่ไม่มีเงินนะฮะมันกินแล้วมันอาจเจียนหมดถ้าอย่างอื่นจะต้องออกมาหมดเลยแต่ถ้าอุดพิษกับเกลือแล้วมันเดี๋ยวมันคนชากินอาหารอย่างดีเลยมีหมูเห็ดเป็ดไก่พร้อมไม่ห่วงนะฮะตอนนั้นไม่ห่วงคนชาก็กินดีแมวนี่โดยเฉพาะเอามาก็นั่งดูแมวกินข้าดูแมวนี่กินนะโอ้ยโยดจอยเลยแมวเนี่ยแต่ป้าก็นั่งเนี่ยฮะอุดพิษตามกับเกลือจิ้มกินกันอยู่นี่แล้ว ตอนตายเนี่ยมาไม่ได้ไปแต่ว่าตอนตายลูกหลานแย่งมรดกกันนะเอกสารที่กุติมากนี่แย่งมรดกกันเขาฝากเขาให้วัดอะไรอะไรเยอะนะฮะทําบุญไว้เยอะสร้างโมนิทิไว้เยอะถ้างั้นตอนนี้มันเป็นวิบากกรรมที่แกที่แกต้องอได้รับมันก็เข้าไปเป็นแถวไปหมดแหละมันมาเหมือนกับที่มันมา <c oughs> คือคือคื อ, ค อ, คอมันมันเกิดขึ้นเหมือนกับที่เราทําไว้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราทําไว้ เมือกี้อีกท่านหนึ่งที่กงเงินวัดโกงเงินวัดมาก่อนเป็นคนรักษาเงินวัดต่อมาก็ให้เขากู้แล้วก็ดอกให้วัดไอตอนนี้มีปัญหาอะไร น, นะพอดอกมันมากๆข้าวมันชักโลภเลยยักยอกดอกพอยักยอกดอกมันก็เข้าของเครื่องใช้ภายานในบ้านมากขึ้นมาชักมันขึ้นมา <c oughs> ยักมันขึ้นมาเลยเอาต้นไปด้วยต้นไปด้วยก็หายเลยทีนี้เงินวัดก็หายต่อมาก็ประสบความพิบัติหมดเลย ลูกชายถูกฟ้าผ่าตายเมียเป็นบ้าลูกสาวหนีตามผู้ชายไป แ, แล้วแกก็ปัป๊มปเบอรเบิรนะฮะปัป๊มปเบอรเบิรก็ก็อยู่ใกล้วัดนะกินอะไรไม่ได้ข้าวปลาอาหารพระก็ต้องเอาไปเลี้ยงฮะบพะยังไงก็มกกรรคฐาน ย, ยกวัดอะ่ะแต่พระเอาไปเลี้ยงแต่แกก็กินไม่ได้เพราะเผลอๆก็นั่งกรรมุจาราตัวเองกินพอตกดึกขึ้นมาก็โหยหวนเลยโหยหวนดังลั่นหมดเลยฮะเสียงเสียวหลังเนะี่ย จนจนเขเรียกว่าเปรตนะฮะเขเรียกว่าเปรตเรียกเปรตตาจันนะแต่ไม่ใช่จันที่นี้นะจันนวลนานะตายไปแล้วทรมานอย่างนี้ตั้งนานเลยจนกลายแ่แกจะตายกินไม่ได้ก็นั่งขยามุจจานั่งขยำมุจจาระแไรกินกันไปข้าวอาหารอะไกินไม่ได้นี่เป็นผลที่ทันตาเพราะงั้นท่านจะพบว่าตัวอย่างปัจจุบันก็ดีเรื่องที่ปรากฏในกัมภีรก็ดีเนี่ยมันมีความสอดคล้องกัน มีความคลอดคล้องกันตามกรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้ก็สูตรฮะสูตรที่พระพุทธเจ้าว่าบุคคลหว่านพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงในดินแล้วย่อมได้ผลแห่งพืชชนิดนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนี่คือสูตรตายตัวเลยนะสูตรตายตัวเลยไม่ว่าเราจะไปเทียบเคียงกับหลักตรงไหนก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องเปรต น, นะออกจะเศ้าๆหน่อย นะวันหลังก็ค่อยว่าพิมานแต่อีกทีเย็นเย็นๆหน่อยแต่าาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน